นั่งได้ดีมั้ได้ดีเป็นช่วงเน่ยเ <Yeah. S 2> ดตอนแรกรู้สึกมือเหนือมืนมากมันไม่เคียตอนัรู้สึกหัวเคลยากขึ้ไหมแต่ตอนหลังสู้กับเวทนาลยดีดไม่ต้องเวทนามาแล้วดี ค, คือตอนแรกพอสู้แบบ เหมือจะเอาชนะมันเนี่ยรู้สึกโิ่แย่ต้องปล่อยมันยินงแย่แล้วในท่สุดมันปล่อยตัมไปต้านมันห่ใช่วดต้แนขืที่จริงคนนั่งได้เรื่อยๆเนี่ยนั่งแล้วสมาธิมันจะยิ่งดีขึ้นดีที่จริงที่เป็นแบบนี้เพราะเราไม่ค่อยได้นั่งติดต่อ หนึ่งต้องฟังข้อมูลทุกครั้งแล้วก็นั่งเนี่จะได้ดีสังเกตดูนะฟังข้อมูลได้มีความเข้าใจท่องแท้แล้วจะได้ตนี้สำคัญในตอนที่เจ้าทองไปบูชาหรือไปหลอมเป็นองค์พระพุทธเจ้านี่คิดยังไงอธิษฐานอย่างไง ตั้งจิตยังไงไม่ได้ไม่ได้อธิษา <c oughs> ว่าจะฉลัดแค่นอ๋อต้องตั้งจิตเลยว่าทองเนี่ยในนี่เอามาอนะ <c oughs> ไรๆต้องเชื่อเลย ที่จริงต้องต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานเมื่อวานให้ท่านนายถ่ายรูปไว้นี่ท่านจริงๆต้องใส่ตัวนี้ให้ท่านนายใส่รูปอย่างเนี้ยเขาจะไปหลอมเงนไทยของ เ, เขาจะไปเขาจะไปเอา ใส่เขาทำเห็นว่าทำเตาไว้ในประมาณสามสิบสองเตาสามสิบสองเตาแล้วก็ไปย่อนสามสิบเตาเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี้ยอามายูเดินไปก็จะไปย่อน<ม>ย่อนลงไปทีทีนี้เขาเขาหลอมไป2สององค์<ม>กะเทสององค์พอเราย่อนเข้าไปเนี่ยเนื้อทองเหล่านี้ ก็จะไปปนกับทองเหลืองทั้งหมดจะแยกกันไปออกเลยก็จะเป็นเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหยังพอพุทธเมตตาเป็นตัวนั้นจะไปหลอมเป็นทั้งหมดทั้งพระวรกายกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดน้ําหนักเขาก็ประมาณเห็นว่าองค์ใหญ่เนประมาณสามสามตันกี่เมตรมันอยญ่สามตัน 3ามตันนี่ใหญ่ขนาประมาณสามตันตันลพันกิโลเนี่ยอยันเนี้ยจะเป็นลอไอหลอมเป็นองค์พระเจ้าใช่ฉะนั้นทองเหล่านี้เนื้อทองเหล่านี้จะเป็นหลอมเป็นองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่อย่างเป็นหลายร้อยปี ทองที่เราเป็ส่วนท่านที่ดงเย็นก็ไปหลอ่ออยูแล้วมันจะอยู่ในนั้นแหละเป็นหลายหลร้ลยลอยปีจนกว่าถ้ายังมีพุทธศาสนาอยู่ตราบใดคนก็จะรักษาวิถากันทีเราได้ได้ได้เอาไปประดิษฐานหล่อเป็นองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็น ไปเป็นพระอละกายทุกส่วนของพระเจ้าเหมือนเราไปอะไรไปอภิเสกให้องค์ของพระเจ้าไปประทับอยนหน้าที่ตรงนั้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์หรือโปรดเทพเทวดาด้ดมารทั้งหลายที่เขาเรียกกันว่าพุท ธ, ธาพิเศษนี่คำว่าพุท ธ, ธาพิเศษนั่นหมายความว่าไปอภิเสกเนี่ยจากทอง อิโปูนทั้งหลายเหล่านี้ไปยกสถานะสิ่งเหล่านี้ปกติเราไม่ได้กราบไหว้สิ่งเหล่านี้ใช่ต่อไปในสิ่งเหล่านี้จะไปเป็นส่วนไปเป็นองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปประดิษฐานไปประทับให้คนได้มากราบไหว้มาสักการะมาบูชามาเลยลึกถึง พอเข้ามาเห็นพระวรกายของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะคิดถึงทานบารมีที่พระองค์บ่มเพงมาเขาจะระลึกถึงพระคุณคือพระหลานตาคุณพระเจ้าเป็นพระหลานเป็นผู้ไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็ต้นเหล่านี้ก็จากการที่เขาได้เห็นพระรูปของพระเจ้าที่มีความงดงามที่ในช่างที่พยายามประดับประดาตกแต่งให้มีความงดงามนี่แหละ จากนั้นส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามีความงดงามนั่นเราได้สละเครื่องประดับเป็นจาคะบูชาเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นอามิสบูชาเนีเป็นการบูชาด้วยอามิสด้วยทองเหมือนนางมาริกาตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพา น, นตอนนั้นเขายกพระศพของพระพุทธเจ้าวนรอบอุสีนาลา เขาผ่านกลางเมืองและผ่านหน้าบ้านของเธอเธอก็บอกว่าให้เอาพระบรมศพพุทธเจ้า ว, วางลงก่อนเธอก็เอาเครื่องมหาลดาวปสานที่เธอเก็บเข้าไว้เนี่ยเครื่องมหาลดาวปสานนั้นมาคุมถวายคุมพระศพของพุทธเจา้าแล้วเขาก็เอาพระบรมศพพรทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปที่มกุูดพันธ์นาเจดีที่เราไปกั น, นแล้วก็เผาเผาทั้งนี้แหละ ทั้งเครื่องวาดาวปรสาทนั่นแหละถวายเป็นพุทธูชาแล้วต่อมาพระธาตุเหล่านั้นเขาก็พากันเอาไปแจกตามเมืองต่างๆส่วนอังคารและสถูเป็นเศษดินเศษเท่าทั้งหลายและเศษเพชรดินจินดาที่เผาจากเครื่องประดับของนางมาลิกาเขาก็เอาไปบรรจุเขาเรียกอังคารและสถู มันอีกเมืองหนึ่งมาที่หลังก็ได้เศษส่วนเนี้ไปเอาไปป็นจุบูชามีทั้งเครื่องประดับเพชรนินจินดาเต็มไปหมดแล้วก็กวาดเอหมดเลยนะกว่าที่เป็นที่เท้าเป็นอะไรทั้งหมดส่วนที่เหลือทั้งหมดไปบูชาเะน้นเวลาเรานำสิ่งเหล่านี้บูชาอันนี้เป็นเครื่องละเป็นลัตนะลัตนหน้าภายนอก เราไปบูชาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะโดยเฉพาะสัมมาสัพพุทธรัตนะนี้เป็นรัตนะอันสูงสุดด้วยการที่เราได้สละรัตน์เหล่นา น, นี้รัตนะเหล่น า, านี้บูชาขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอันประเสริฐสูงสุดของพระรัตนตรัยได้ทั้งนี้ให้ตั้งอัธยาศัยอย่างนั้นให้เราเห็นว่า พระพุทธปฏิมากรทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นที่ปฏิสถานเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นองค์ของพระเจ้าเนี่ยเราได้มอบเครื่องประดับเหล่านี้บูชาพอจะคิดได้ไหมเนี่ยให้น้อมสละอย่างนี้เนี่ยเราได้ได้สระบูชาพอใส่ปุ๊บเดือดรลายเลยนะเนี่ยเขาละลายทาันทีถามว่ามันมันจะละเหิดไหมมันละเหิดไปกับ ที่ความร้อนไหมไม่ละเหิยนะเขาเป็นโลหะหนักจะไม่ละเหิ ด, หห ม, หดมันจะไปเป็น อ, อส่วนผสมในพระวกระในในในในทองเหลืองทองแดงทั้งหมดเลยงั้นถ้ายาะออกมาใหม่ต้องไปสกัดใหม่เพราะมันผสมกันอยู่แล้วทองเหลืองทองแดงเนี่ยเงินหนักเขาผสมกันเลยก็เหมือนในจิตเราเนี่มีราคาโทรศัพโมหะผสมอยู่ ถ้าสกัดให้ให้เป็นจิตที่ผ่องใสไม่ได้มันก็เอามาทำคเครื่องประดับไม่ได้ถ้าจิตเราสกัดพวกราคาโทรศัมท์หาศาลได้พวกบมาเลยมันก็จะจิตที่สะอาดได้ใช่หีหยตรงนี้เขาสกัดออกมาแล้วถึงสามารถไปทําแหวนก็ได้ทำสร้อยก็ได้ทานาฬิกาก็ได้ทําเครื่องประดับได้ <c oughs> เครื่องประดับห <c oughs> น, นักนะเนี่ย <c oughs> ก็ดับเนี่ยนะเ่วานในชันไหนถ่ายภาพถ่ายเก็บไว้เลยรึไปดูแล้วก็ที่เหลือสิบนา ท, ท, นา ท, ทีต้องเร่งเลย